ตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธฟังธรรมต่อไปตอนนี้ก็จัดแจงที่นั่งของตนหัดนั่งเึือ น, นั่งบทนได้ก็หัดไว้ไปบ้านจะได้หัดนั่ง่าขาขวาขึ้นมาขับขาซ้ายขึ้นมาก่อนหัดขวาขึ้นมานั่งให้มันได้อย่างนี้ หลวงพ่อรพระพูดเป็นไปนั่งก่อนนะแล้วให้จําไว้ไปหัดในบ้านเวลา <c oughs> ก่อนจะนอนทุกๆคืน <c oughs> เมื่อว่าพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้เป็นการนั่งในวันที่พระพุท ธ, ธเจ้าของเรา <c oughs> ได้ตรัสลู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ร่มไม่โคใต้ต้นโพต้นโพต้นไม้สลีเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาพระองค์นั่งเรียกว่าสู้แบบเห็นที่ถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสลู้พระองค์ก็ยอม าายินทบาตมาเยี่ยงร่างกายต่อไปอีกถ้าได้จัดสู้ก็จะได้โปรดเวเนยสัตว์ทั้งหลายตกลองก็พระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแต่พระองค์ ภาวนาเอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคนเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์ก็มีลมหายใจเข้าออกและองค์ก็กําหนดเอาลมเข้าลมออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนา ท่านตั้งใจรักษาจิตใจดวงผู้รู้ในตัวของพระองค์ไม่ให้คิดไปที่อื่นท่านเอาลมหายใจมัดจิตใจให้อยู่จริงๆเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจอนาปาเนี่แหละรักษาจิตไม่ให้คิดไปภายนอกลมเข้าไปนี่ รับรู้ว่า น, นี้เป็นลมเข้าลมออกมาก็รับรู้วันนี้เป็นลมออกส่วนธาตุลมเป็นธาตุไม่รู้จักธาตุไม่รู้จักอะไรผู้รู้จักว่าธาตุลมลมเข้าลมออกคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านกำหนดลมเข้าลมออกยึดมาให้ไปที่อื่น นางตั้งแต่หัวค่ำจนประมาณว่าเที่ยงคืนจิตใจของพระองค์กส็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าสมถกรรมฐานเมื่อตั้งใจมั่นได้แล้วพระพุทธเจ้าของเราก็กาหนดหลักวิปัสนากรรมฐานคือกาหนดรูปหมายถึงตัว โลกระขันนามหมายถึงจิตทำกำหนดว่านามลูกกายใจนี่แหละมีความไม่เที่ยงแค่แน่นอนแรกเกิดมาตัวน้อยนิดเดียวจเจริญไวใหญ่โตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแกะะ่ชราหมดจากแกะะ่ชราต่อแตกหลับตายไปเมื่อทำกำหนด โลกนามกายใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ขึ้นเชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้พระองค์กำหนดจนแจงแจง้งชัดเจนละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ที่ว่าตัดสิรู ตัดกิเลสความโลภอย่างคนเราธรรมดาได้เด็ดขาดตัดกิเลความหลงไม่ลุ่มหลงไปในที่ต่งตางๆเจตใจของเธอองค์เมื่อตัดได้เด็ดขาดจึงได้ตรัสรลภะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นและคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวง เจตใจของพระองค์ก็บารมีที่พระองค์บาเพ็ญมาสี่อาสงไขแสนมาหากรักก็ได้ชื่ว่าเต็นบริบูรณ์ตรัสรู้เป็นพระศ า, าสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชื่อว่าแจ้งโลกรู้เท่าโลกไม่หลงตามอำนาจกิเลสเหมือนก่อนก่อน เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสโค้ถิยานพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้ประพฤตปฏิบัติทมความเพียรละกิเลสนอกจากทำบุญให้ทานแล้วก็สอนให้รักษาศีล มีการรักษาสินห้าสินแตกเป็นต้องเมื่อรักษาสินแล้วท่านก็สอนให้ภาวนาอันดศภาวนาพระองค์นั้นคือว่ามีอยู่มากมายให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานสี่สิบก้อสี่สิบอุบายแต่และอุบายก็ต้องการจิตใจสงบระงับ ย่างว่านนึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคนพระสงฆ์เป็นอุบายพาวนาถ้าจิตใจสงบได้ท่านก็ให้นึกเอาคาว่าพุทโธหรือว่ากำหนดความเกิดเป็นทุกข์ความแต่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ยากเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ กำหนดเอาความตายหรืออุบายที่กล่าวมานี้จิตใจสงบระ ง, งับตั้งมั่นได้ท่านก็ให้กาหนดสิ่งนั้นเป็นอุบายภาวนาคือเจิตใจคนเหล่านี้ต้องทำให้ใจสงบตั้งมั่นเสียก่อนจึงจะได้ความรู้ความสลาทีแท้จริงการทำใจให้สงบนี่แหละท่านว่า สมาธิตั้งใจให้มั่นหรือสมถกรรมฐานอุบายทาใจให้สงบมีการนึกเอาพุทธโธง่ายๆก็เรียกว่าพุทธโธพุทธโธแปลว่าพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ เมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญโพธิญาณมาเต็มบริบูรณ์แล้วจนมาปรัสะลูกเป็นพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าที่มีบุญบารมีใหญ่ยิ่งนั่นแหละเทศนาสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์มผู้ได้ฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแลว้วก็นำ ม, มาปฏิบัติ เหมือนให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบละับเวลานี้เรามานั่งภา ว, า น, ภาวานาในถ้ำผาปล่องไม่ต้องคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงความสุขสะดวกสบายอย่างอื่นแม่จะมีความลำบากทุกข์บ้าง เว่าเราเปลี่ยนสถานที่มาโชที่วิเวทที่ภาวนามาโชถ้ำโคหามาโชปา่าโชเขาโชดงโชปา่าที่เช่นนี้แล้ว่าเป็นที่อยู่ของพระพุท ธ, ธเจ้าทั้งหลายเป็นที่อยู่ของพระอาราหันตตาจินาศเจ้าทั้งหลาย เป็นที่ทําความเพียนละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงได้ของพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในขั้งกฎาการท่านอยู่ในที่เงียบสงัดแล้วท่านก็ภาวนาทําใจให้เงียบให้สงัดให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเราทุกคน ก็มีจิตใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นคนแต่ว่าเป็นเป็นชาวอินเดียภาษ า, า, าเยอเนกาครอบเป็นคนแขกคนแขกก็ตามคนฝลังก็ตามไทยญี่ปุ่นอันใดก็มนุษย์นั่นแหละ มนุสสปติลาภการเกิดมาเป็นคนนี้ทันว่าเป็นลาภอันประเติร์ดเป็นผู้มีบุญถ้าเรามาเกิดเป็นคนแล้วคนเรานี่รู้จักเรียนแดดกันเวลาทำดีก็เรียนแดดกันทำดีเรียนทําบุญให้ทานเรียนรักษาสินห้าสินแตก เรียนคำว่าพระสวดมนต์มีล拉หังหนะโมพุทธังเป็นต้นเมื่อเรียนเสียงนด้แล้วก็เรียนทำใจให้สงบไม่ปล่อยให้จิตใจวุ่นวายภายนอกจึงจะได้ความรู้ความฉลาดในทางพุทธศาสนาเพราะว่าคำสอนของเสดพุทธเจ้านั้น เป็นของละเอียดหน้อยไม่ใช่ได้มาโดยความพุ่งสร้างลำคาญพระพุทธเจา้า <c oughs> พระองค์นั่งภาวนาตัะรู้ในที่สงบระงับแล้วก็ได้ท ร, รมะพิเศษพิเศษกว่าวิภาความรู้ในโลกเวทนาความรู้ในโลกแม่สมัยนี้เร <c oughs> ว่อรความรู้มากมายก็าตาม ยังเป็นความรู้โลกิยะปัญญาคือว่าปัญญาทางโลกปัญญาโลกปัญญาการทำ ม, มาหาเลี่ยงคีพส่วนพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าตรัสรู้แล้วมีปัญญาในทางธรรมหรือปัญญาโลกุตรปัญญา เป็นปัญญาเลิกละกิเลสความโกรธออกไปจากตัวจากจิตใจได้เป็นปัญญาละกิเลสความโลภความหยากได้ในตัวในใจออกไปได้เป็นปัญญาละกิเลสความหลงพระพุทธเจา้าไม่มีความหลงในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในพอสะพาธรรมลม ขึ้นเชื่อว่าความสุขสะดวกสบายในมนุษย์โลกเทวโลกพระพุท ธ, ธเจ้าไม่หลงพระองค์ทาวันาเห็นแจ้งว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนดูแต่ตัวเราทั้งหลายที่เกิดมาในภ พ, พนี้ในชาตินี้ตอนที่เราจะได้ลูกประขันร่างกายนี้มาก็คือว่า ไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่จะต้องไปอยู่ตั้งเข้าเดือนสิบเดือนในท้องแม่จึงได้คลอดได้เกิดมาเมื่อเกิดมาทีแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวร้องให้แอะแ อ, ออยู่นานมาก็อาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้อาหารให้ น้ำนมขนมกุมมารเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษาจนถึงวัยแต่วัยสลาคนเรามีการไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ในความไม่เที่ยงมีอยู่ในรูปในนามในตัวคนเราที่ไหนที่นั้นก็คือว่ามีความเป็นทุกข์อยู่ในร่างกายจิตใจนี้เพราะว่าร่างกายของคนเรานี่ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยโย่ทุกปีทุกเดือนไม่ใส่สบายเลยจะต้องมีอาหารบริโภคชีวิตยังมีเป็นมาได้ถ้าคนเราไม่มีอาหารขาดอาหารแล้วคนเราก็ตายที่ไม่ตายนี่ก็เพราะว่ามีอาหารหล่อเลี้ยงลูกประคัน แม้จะมีอาหารเพียงพอสักเท่าไรก็ตามมันก็ไม่หยุดมันก็แก่าาลาไปเจ็บไข้ไปเไปเ็นธรรมดาเมื่อรวมแล้วคนเราสมัยนี้ก็อายุไม่ค่อยยืนยาวข่าวไกลเท่าใดนักไม่ค่อยจะถึงร้อยปีหลวงปู่แหวนว่าแกาขนาดก็ได้ เก้าเช็ดเก้าปีก็อยู่ไม่ได้แล้วแม้พวกเราที่มานั่งอยู่นี้เข้าใจว่าร้อยปีนี่ยากที่จะมีคนถึงร้อยปีได้เพราะร่างกายสังขารของมนุษย์นี่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ยิ่งจิตใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ชีวิตของคนเราก็สั้น ถ้าใครอยากจะมีเป็นคนอายุยืนยาวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตาย <c oughs> ก็ให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธให้มากๆก <c oughs> การภาวนาพุโทโธนี้จะได้ละกิเลสความโกรธให้มันเบาบางหมดสิ้นไปละกิเลสความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไป เมื่อกิเลสความกอดรอบหลงไม่มีในใจจิตใจก็มีกําลังมีความสามารถอาจามมีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจคนเรามีความสงบรังับตั้งมัน่นเป็นสมาธิเหลวใจก็สบายร่างกายก็สบายเมื่อกายสบายใจสบายอายุก็ยืนเพราะว่าโรคภัไข้เจ็บ นักนวงก็ไม่ค่อยบังเกิดมีขึ้นเวรนกรรมที่ทำมาไม่ดีส่วนที่เป็นละหุ ก, กรรมคือว่ากรรมเบาก็จะได้หายไปด้วยอำนาจบุญบารมีภาวนาพุโทโธในใจนั่นแหละหากบันดลบันดาลให้เราทุกคนนั่นเอง มนอายุยเยินยาวข่าวไกลแต่ก็ไม่ไกลจนถึงว่าเลยร้อยปีหรือว่าร้อยยี่สิบสามสิบไม่ค่อยจะถึงคนสมัยนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจมันห้อนใจร้อนใจร้อนคือความอยากความอยากได้อยากหด้อยากเป็อนอยากมีอะไรมากมายจนนอนไม่หลับกินไม่อร่อยอืกินไม่ลํากินไม่อร่อย เพราว่าจิตใจมันมีกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสความดิ้นลนวุ่นวายใจไม่นิ่งแนว่วเป็นดวงเดียวโยภายในบัดนี้สถานที่เราได้ลำลองมานานว่าเราอยู่ในบ้านในเรือนในที่ชุมนุมชนนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากเสียงไม่มีเวลาหยุด โรปเสียงจริมลดนั้นเราอยู่มาในห้องนั้นนานแล้วแต่เมื่อมาถึงถ้ำพระตรองเชียงดาวนี้เสียงอย่างในบ้านในเมืองในกรุงเทพในเชียงใหม่ในเวียงนั้นไม่มีแล้วเสียงอึกเึกคึกโคมไม่มีมีแต่เสียงฟังธรรมนำจิตใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบาย ให้ใจของเราเย็นสบายเหมือนถ้าธรรมดาถ้านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความทุกข์โผลนัครับแข่นแน่นใจแม้จะมีเพื่อนมนุษย์หลายสิบคนมานั่งฟังธรรมอยู่นี่ก็ไม่มีเสียงดังนอกจากเสียงฟังธรรม ก็ให้พากันรวมเอาจิตใจของเรานั่นเองให้มีความสงบตั้งมั่นใจนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ว่าดวงใจนี้ไม่ใช่รูปร่างกายที่เรามองเห็นหน้าเห็นตากันนี้อันนี้รูปประขัน โลปะขันีนธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวเราธาตุน้ำเอาน้ำมาปั้นเป็นตัวเราธาตุไฟเอาธาตุไฟมาไว้ในตัวเอาธาตุลมมารวมกันเข้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสีนี่เองสม่เสมอกัรตัวตนคนเราก็มีชีวิตที่วามาได้หลายสิบปีก็มี นี่แหละคือว่าจิตใจโยภายในแต่ว่าผู้ที่จะมาภาวนาเอาจิตเอาใจของตัวเองนั้นมีน้อยบัด น, นี้เราก็ได้มาสู่สถานที่วิเวคคือว่าที่เงียบที่ส ง, งัดที่ภาวนา เป็นที่ภาวนาของพระอริยสงฆ์สาวกในชั้งพุท ธ, ธานหรือว่าเป็นที่ภาวนาของสัพพิติเจ้าทั้งหลายที่ได้มาตัดสุลุในโลกแล้วก็มาภาวนาหาสถานที่เงียยสงบแล้วก็ น, นึกภาวนาพุทธโธ จนจิตใจสงบหลังอับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็รักษาเอาจิตใจดวงที่นึกพุโทโธอยู่ภายในมีความรู้มีความเข้าใจอยู่ในใจของเราตรงไหนก็รวมเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ใจของเราจริงๆนั่นคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงเดียวได้แก่จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่ เสียงําที่เราฟังนี้ก็เข้าในหูไปรู้ในจิตคําว่าจิตใจนั้นได้แก่ดวงจิตผู้รู้แต่ไม่ใกล้ร่างกายที่เรามองเห็นดวงจิตผู้รู้นี้เป็นเหมือนกระลมเหมือนธาตุลมธาตุลมที่พัดผ่านไปมาในโลกนี้ธาตุลมนั้นใครจะไปจับดูว่ามันเป็นตัวอย่างไรไม่รู้ แต่ว่าถ้ามันพัดมาแรงๆบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์หักพังไปต้นไมใ้ใหญ่ๆมันก็เอาหักไปได้ถักลมทันใดใจคนเราที่มาอยู่ในร่างกายสังขารคือลูป ต, ตัวตนของคนเราที่เป็นหญิงเป็นชายนี่ก็มีกำลังเวลามันโสด ก, ก็เอาใช้ร่างกายนี่แรงให้โสดไป จนถึงขั้นประหัตปาหารกันเบียดเดียงกันมาจากจิตใจนั่นเองส่วนร่างกายนี้มันเป็นเฉียงโลกคือธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมถ้าจิตไม่มาใช้ธาตุเหล่านี้ก็ไม่เกิดโทษประการใดแต่ว่าถ้าจิตมาใช้แล้วมันก็ทําบาปก็เป็นบาปขึ้นมาทําบุญก็เป็นบุญขึ้นมา นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธในใจรวมเอาจิตใจของเราให้มาสงบโยภายในเรื่องภายนอกเรื่องนอกผิวกายไปเราไม่เกี่ยวเราเอาแต่ภายในหนังหุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบคือดวงจิตดวงใจอยู่ภายในนี้เองแต่ว่าเราไม่กล้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนรูปร่างกาย อันนั่นเป็นภาพส่วนจิตใจนี้เป็นนามคำว่านามนี้มีแต่ชื่อจะไปจับเอาเหมือนวัตถุเข้าของไม่ได้มีโยทางเดียวก็คือว่าเอาบริกรรมมาจับมาเล็กมาเจริญจับบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจิตใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความกรลุณ น, นาสงสารมนุษย์มีความมุติตามมีความคอยยินดีในเมื่อเวลามนุษย์เขาได้ด้ดีด พระองค์ไม่มีการอิจฉาตาร้อนแก่บุคคลผู้ใดแลว้ววมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาอิงลม้มใครจะมีความสุขอันใดพระองค์ไม่อิจฉาพระองค์ส่งเสริมให้มนุษย์คนเรามีความสุข พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใจท่านตัดสู่แล้วก็มีความเมตตาแก่ั ต, จ, ตจนสั่งสอนมนุษย์พุทธสาวกในขั้งพุทธกาโนนเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นได้ถึงพระอราหารันต์าทั้งยา่าทั้งโยม อุบาสกอุบาสิกาภิษุสงสามมันเลนในพุทธศาสนาขั้นภาว น, นาและอีเลศความโกรธความโลภความหลงของท่านให้หมดไปสิ้นไปเหลือมาจนถึงพวกเราทั้งหลาย น, นี้เวลานี้นั้นคือว่าคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยสนใจในทางสมาธิภาวนา ผูบันลุมรผลมันก็ น, น้อยไปตามส่วนถึงกันนั้นก็ตามให้เราทุกคนผู้ภาวนานึกได้ว่าพุทโธพุทโธอยู่เดี๋ยวนี้จองจดจำเอาไว้ว่าเมื่อเราภาวนาทุกคืนจะเป็นในบ้านในวัดในที่ใดก็ตาม เมื่อเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธแล้วก็ให้จิตใจดวงผู้ลูกของเราจดจอ่ออยู่ในคําว่าพุทโธนั้นเราวังไม่ให้ใจออกไปเที่ยวเพ่นพานภายนอกให้ใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาจนมาตั้งมั่นอยู่ได้พุกงลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่า ให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจจะนึกบทใดขอด้อใดก็ตามคือว่าให้นึกอยู่เสมอเสมอเป็นต้นว่าพุทธโธเรากนนึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปก็พุทธโธลมหายใจออกมาก็ น, นึกพุทธโธพุทธโธอยู่ที่ตัวพุทธโธอยู่ที่ใจจิตใจผู้รู้เราอยู่ในตัวนี่แหละ เมื่อได้ยินเสียงพุทโธที่ไหนก็ให้เอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในมารวมมาสงบโยให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนจิตใจไม่แสบสายลุ่มหลงไปตามผิวหนังหรือสมมุติโลกรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเรือร่อยๆและการฝึกหัดสมาธิภาวนานนสพุทโธรวมใจนี้ เราจะต้องตั้งใจประกอบประรำให้ได้ <c oughs> ทุกๆคืนจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญในทางพุทธศาสนาคือให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปอย่าเพียงว่าเรามาสู่ถ้ำพระปองอบรมสมาธิภาวนากลับไปบ้านแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ ต้องทำให้สม่ำเสมอทุกคืนชั่วชีวิตของเรายังมีอยู่ในโลกเราจะตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวานาทุกๆคืนจนจิตใจสงบแน่แน่เย็นสาบายคนเราท่าใจตั้งมัน่นรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิภาวานาแล้ว ใครเห็นกรธชอบเพราะว่าใจมันดีใจไม่โกรธใจไม่เบียดเบียนใครเจตใจของพระพุทธเจา้าเรียกว่าไม่เบียดเบียนใครมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีความสุขมีความสบายขัดข้องสงสัยสมัยพระพุทธเจา้ายังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็แก้ปัญหาต่างๆให้หลดไปพ้นไปโดยลำดับ คนสมัยนั้นพระสมัยนั้นภิกษุภิกษุณีสมัยโน้นจึงเป็นผู้มีบุญมีกุศลภาวนาได้สําเร็จเบื้องต้นก็เรียกว่าสําเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสติทาคาเป็นพระอนนาคาเป็นพระอารหันตาคําว่าอารหันต์อรหันนั่น อรหันอระหะคือว่าไม่ไปไม่หมุนไม่เวียนไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุาบทั้งหลายเจตใจของขระ น, นันทานเ้นดวงหนึ่งดวงเดียวภาวนาอยู่ในตัวในใจทุกวันทุกคืนจนจิตใจของท่านเลิกละตัดล่อยสิเลตราคะกิเลโทสะกิเลโมหะในใจิตในใจจนหมดสิน้น ไม่มีจีแลดความกอดโลกหลงอยู่ในจิตใจของพระพุท ธ, ธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อโลกแตกนามดับแล้วจิตใจของท่านก็ดับขันเข้าู่นะปริภานไปอยู่เมืองนิพพานสบายกว่าการมาเกิดในโลกเท่าที่เราเกิดมาเป็นเด็กเป็นนมเป็นคนแก่คนทราก็าเต็มไปด้วยทุกข์อย่างนี้แหละ เพราะร่างกายมนุษย์นี้มันมีสัมภารละหลายอย่างหลายประการมาหล่อเลี้ยงรักษาเราจึงมีความสุขแค่อามิตรบูชาถ้าหากว่าเราทุกคนต้องความต้องการความสุขอันมั่นคงถาวรคือเป็นความสุขที่เรียกว่าตลอดกาลนั้นเราจะต้องภาวนาเอาให้ดี ทุกคืนให้เราได้กราบพระว่ายพระนั่งขัดสมาเ็ิแล้วก็ บ, บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเอาคนพระพุทธเจ้ามามัดดวงจิตดวงใจผู้รู้ของเราให้มนความสงบลงหลงไปทุกคนืนทุกคนืนโน้นและจนถึงซึ่งนิพพาน อันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมีอยู่ในขั่วหัวใจเราทุกคนถ้าเราตั้งใจทำดีปฏิบัติ ด, ดีตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ เกิดความสงบ ข, ขึ้นมาในจิตใจของผู้ฟังธรรมของผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินเน่แหละเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสวรรค์วิมานนิพพานได้ถ้าผู้ใดมัวเกียดค้านท้ถอถอยไม่ภาวนาจะนอนก็ดนอนไปเฉยเฉยไม่นึกภาวนาพุทโธท ไม่นั่งสมาธิภาวนาเห็นแก่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวจะให้ร่างกายมันสบายท่าเดียวเราไม่ภาวนาก็เอาสบายไม่ได้สบายจริงๆก็คือว่าจิตใจภาวนาพุทธโธอยู่นางแดดไหนก็ภาวนาพุเนกพุทธโธอยู่ในใจของเราไม่ไปนึกอย่างอื่นเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่ขึ้น อพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อเราพึ่งคุณพระพุท ธ, ธเจ้าก็ชื่อว่าพึ่งพระธรรมพระสงฆ์ด้วยพึ่งทานศีลภาวนาด้วยพุทโธคำนี้น่ะเป็นคําวิเศษวิโสใครเลื่อมใสในคุณพระพุท ธ, ธเจ้าเมตตาเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุท ธ, ธเจ้าดีแล้วท่านว่า คนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีเพราะอําอนาจคุณพระพุทธเจ้านั้นบรร d o บรรดาลให้บุคคลผู้นั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อถึงข่าวมารณะนะไทยมาถึงเข้าบุคคลที่ภาวนาทำใจตนให้สงบ จะไม่ทุกข์ยากลําบากลําขาดตายแล้วอย่างน้อยก็ได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์ท่านฟ้าท่าเราละกิเลสความโกรธให้หมดเสียก่อนละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดใสสะอาดแล้วตายเมื่อใดก็ไปสู่นิพพานตามสเสด็จพระพุท ธ, ธเจ้าเข้าสู่นิพพาน ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไปจะมีแต่ความสุข ก, กายสาบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีเพราะว่าได้บรรลุธรรมกิเศษละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปแล้วถ้ามันยังไม่นดัดเราก็ตั้งปณิธานมั่นหมายว่าชั่วชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันตาย เราเจ้านั่งก็ตามภาวนาพุทโธ ร, รวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเดินก็ภาวนาพุทโธเดินก็เรยาะเดินจงกรมภาวนาพุทโธเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวจะนอนหลับลงไปก็ภาวนาพุทโธในใจของเราเอาจนนอนหลับเอาจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้แหละ เป่งของดีวิเศษของดีวิเศษอันนี้นั้นไม่มีผู้ใดจะหยิบยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระเอาคุณพระมานึกมาเจริญ มาสอนจิตสอนใจสอนตัวของเราให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทุกวันเวลาถ้าหากว่าบุญบรารมีเก่าเราก็ทำมาบุญบรารมีใหม่เราทำขึ้นมาก็ไม่ไม่หยุดพรที่สดเมื่อบุญบรารมีทานศีลภาวนาของเราพรหมูลบริบูรณ์เมื่อใดเวลาใด จิตใจของเราที่ภาวนาอยู่นี่แหละจะได้รู้จักรู้แจง้งรู้จริงรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์อย่ามาเกิดเป็นโูกเป็นนามเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนอีกต่อไปจงภาวนาพุทโธพุทโธในใจแล้วก็ตัดละอีเลสในหัวใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปทุกวันคืนเดือนปีไม่ประมา เมื่อเราทุกคนตั้งโยในความไม่ประมาทโยที่ไหนก็ภาวนาทำใจให้สงบสงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยบ้านก็ภาวนาที่บ้านไปวัดก็ภาวนาที่วัดอยู่โรงเรียนก็นึกภาวนาที่โรงเรียนให้ใจเรามีพุทโธอยู่นะภายในใจแล้วเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้เมื่อใดเวลาใด บุญกุศลที่เรามุ่งมาปาธรรมานั้นก็จะปรากฏกา ร, รขึ้นมาในหัวใจของเราที่ภาวนาอยู่นั่นเองแต่เวลานี้มันยังไม่เกิดไม่มีขึ้นเพราะเราเพิ่งมาลิเริ่มปฏิบัติบูชาภาวนาถ้าเราลิเริ่มได้แล้วเราทำไปทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ เมื่อมีโอกาสเมื่อใดเวลาใดเราจะไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทให้ใจของเรายืกเย็นสบายพุทโธอยู่ในใจธรรมโมสังโฆอยู่ในจิตจีเลตลาคโทสาโมหามีมากน้อยเท่าไรในตัวในใจของเรากเพียนละออกไปเอาจนหมดไสสะอาด คนเล่ า, น, ลานั้นถ้าใจใสใจสะอาดชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเมกุศยน้ำพระทายใจพระพุทธเจ้าพระองค์ภาวนาทำละให้ใสสะอาดโล้แจง่งกิเลสไม่หลงไปตามกิเลสแล้ววัดใจพระองค์ก็สะอาดวาจาพระองค์ก็สะอาดดวงจิตดวงใจก็สะอาด แน่เราทุกคนได้มาฟังคำแล้วตั้งใจสะทึกปฏิบัติ <c oughs> ทำละใจดวงที่ลู้อยู่นี่แหละให้ใสสะอาดเหมือนแก้วมันนีโทษยึดใจก็จะถึงซึ่งความสุกดายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่บังเกิดมีขึ้นแก่คนเราที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั้น อันนี้เป็นอุบายภาวานาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย้ากันได้ยินได้ฟังแล้วแม้จะได้น้อยมากประการใดก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอามาชำระกิเลสความโกรธของเราไม่ให้มีกิเลสความโลภในใจไม่ให้มีกิเลสความหลงความลืมในใจไม่ให้มี เมื่อเรารู้จักเอามาสั่งสอนใจของตนอย่างนี้คิดใจทุกคนก็จะมีความสงบมีความเย็นมีความสบายเรามีความมุ่ง ม, มากปราธนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสําเร็จลุล่วงไปตามความมุ่ง ม, มากปราธนานั้นๆ ฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประเฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการล ะ, ะนี สัพพิตโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโอหินาศตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภาวะชีวาธนาศีริสนิจังุท ธ, ธาปจายิโนยัตตาโรธรร ม, มาวะทันติอายุวันโนสุขังตาลัง พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เรียนรู้กนมัญญาของมารกิเลสมารสังขารมารกิเลสมารสังขารมา น, นี้พระพุทธเจ้าพระองค์เรียนรู้แต่ก่อนมาพระองค์ เรียนไม่รู้มันวิเลสกามวัตถุกามพยามานเสนามานบริวารมานยังได้ผูกงัดลัดเื่งให้พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ได้ตัดสู้ ได้มาเรียนวหว้าตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกจนนับไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุวันเป็นชาติที่พระองค์เรียนรู้กลมานยาของมาร ตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาแล้วเรียนมาได้หกปีกว่าจึงรู้เล่เหลี่ยมของมารตอนที่มานั่งขัดสมา็ิภาวนาใต้ล่มไม้โพพระองค์จึงถึงขั้น เรียนรู้มารกลมมารยาของมารว่าจะทำไม่ได้จึงจะสู้กับมารกิเลสในหัวใจนี้ได้พระองค์ก็เข้าในพระทยว่าจะต้องเอาไม่ตายยืนไม่ตายให้พญามารคือว่าต่อไป พระองค์ท่านจะไม่ยอมไม่ไม่อ่อนข้อให้แก่พญามาต์คือพระองค์เอาชีวิตแรกคือว่าอะไรทั้งหมดมันสู้ยอมตายในที่นั่งสมาธินั้นไม่ได้คือไม่ยอมไปตาม กิเลสมารสังขารละมารที่มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อเนี่อะไรให้ลุ่มหลงกิดข้องอยู่พระองค์ทรงตั้งใจไ ว, ว้ว่าถ้าไม่เอาตายสู้ไม่สู้มานไม่ได้ดูชีเราเกิดแก่เจ็บตายมาในโลกนับไม่ถ้วน เพราะมารกิเลสในหัวใจนี่แหละทีนี้พระองค์ก็ไม่เอาเลิกละไม่ทําตามเขื่นชื่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะสั่งการอะไรออกมาพยามานสั่งการอะไรออกมาพระองค์ไม่ทําตามเพราะมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในโลก พระองค์ตั้งใจมั่นคงลงไปว่าสมาธิตั้งใจมั่นสมถกรรมฐานทำจิตใจให้สงบพระองค์สงบหมดกายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบอยู่ในสมาธิ พยามาณเสนามานกิเลฒมานก็เลยพ่ายแท่ไม่กล้าที่จะมาลบลาศ ก, กับพระพุทธเจ้าล่ะคือพระองค์ไม่คิดไปตามมานกิเลสไม่พูดไปตามมานกิเลสไม่ทำไปตามมานกิเลสทีนี้มาณพยามาณก็หมด พระโจสู้ไม่มีทางสู้พระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ตั้งจิตมัน่นมีสติเป็นมหาสติปัฏฐานสีเจ็บใจของพระองค์ก็องอาสาหารเหมือนนั่งขัดสมาธิ เพื่อท่านไม่ยอมท่านไม่กลัวแล้วมันจะเจ็บปวดทุกขเวทานานในร่างกายจิตใจยังใดท่านไม่วันไหวแต่ก่อนท่านวันไหวคือว่าหลงกลมันยาของมาเรียนรู้กลมันยามันไม่ทันมาเวลานั้นพระองค์เอาทำอะไร จะมาท่าไหนจะเข้ามาขึ้นหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาพระองค์ตามลูหมดมาทางบนลงมาก็ลูมาขึ้นมาทางต่ำขึ้นมาก็ลูออกมาในใจพระองค์ก็ลูวันในเจ้ามานเจ้ามายามีมายาสาไถ่ร้อยแ แต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้แล้วพระองค์ไม่หวั่นไหวและไม่ยอมให้มารกิเลสนำไปใช้ในภพต่างๆอีกพระองค์จัดว่าพอแล้วเอาเราสัทาคตมาเกิดมาตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นับไม่ถ่วน ตอนนี้ไปจะเอาเรามาเกิดมาตายอย่างเก่าอีกไม่ได้แล้วคือเจตพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิป่าภาวนาเมื่อจิตใจพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วพระองค์ก็กำหนด ภายในได้แก่กายวาจาจิตของพระองค์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่นพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงปฏิธิกษจันต์ต้องไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเมื่อซึงทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ ก็ไม่ควรมายึดหน้าถือตาไม่ควรมายึดตัวถือตนไม่ควรมายึดเรายึดของของเราเพราะตัวเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีของหมายถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของในโลกก็เป็นของเรา เป็นของช้ชั่วชีวิตยังมีอยู่ลมหายใจยังไม่ดับก็ใช้ไปตามนั้นเวลาชีวิตของเราจบลงไปดูสิความดิ้นรนวุ่นวายแต่ตัวเองเกิดมาหรือว่าในโลกนี้วุ่นวายมาอย่างนี้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลย ยังเหลือแต่สาหีิละอันจะเปื่อยเน่าผุพังทิ้งไว้ในโลกนี้หรือมีใครเมื่อตายแล้วหาเปล่าร่างกายสังขารตัวเองไปในโลกหน้าไม่นี้เห็นแตนหมดลมแล้วเปล่า เขาผีจีกระดูกก็เป็นเรื่องของคนผู้อื่นเขาทำจิต ใ, ใจนั่นเอาอะไรไปไม่ได้แล้วนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมจงกำหนดรู้ในใจของตัวเองว่ากนมารยาสาไถจิเลตมานมากมาย ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีให้แน่วแน่มั่นคงตั้งใจให้หนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินจึงจะสู้กับกิเลสมารสังขารมารได้ถ้าไม่วางเฉยเหมือนแผ่นดินแนวเดียวมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลง ม, มัวเมาไปอย่างเก่าอีก แล้วก็มาเกิดอย่างเดียวนี้อีกเกิดมาอย่างเดียวนี้แล้วก็ผลที่สุดก็ตายไปอีกตายนั่นมีอยู่สามระยะตายในเวลาแรกเกิดมานั่นหนึ่งตายในเวลากลางคน เ, นเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วก็ตายอีกทีหนึ่ง อันนี้ควรที่จะมานึกมาเจริญอยู่เสมอในใจของเราทุกคนว่าเราได้มาเกิดมาตายเป็นค่าตัณหามานานแล้วมาเป็นค่อยค่าทาสาของกิเลสยอมตัวและให้กิเลสความโกรธมันใช้ ยอมตัวให้กิเลสความโลภมันใช้ยอมตัวให้กิเลสความหลงมันใช้มันย่ำดีจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรดีถ้าเราจะทําตามอํานาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วก็ชื่อว่าจมอยู่ในวัฏฏสงสาร จึงควรตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้มั่นคงอย่าเพียงมาติดโย่ข้องโยแค่ความสะดวกสบายหรือความทกุกความเดือดร้อนทางหลายแหลความจริงนั้นก็คือว่าที่มันทุกข์มันเดือดร้อนเพราะจิตใจเราไม่รู้จักปล่อยวาง เมื่อไม่รู้จะปล่อยวางความทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าไปยึดไปถือว่าเราเราทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายถึงว่วละจะตายก็ว่าเราจะต้องตายหาโลไม่ว่าธาตุดินเขาตายธาตุน้ำเขาตายธาตุไฟธาตุลมเขาตาย ทาพทั้งสี่ขำทั้งห้าเขาตายเจตใจเราผูภาวนายาได้วันไหวดูของจริงพิจารณาดูความจริงเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่ชราเป็นไหมเราโยในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ต้องเห็น ความเป็นเด็กมันจะเป็นเด็กอยู่ตลอดชาตไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ความเป็นหนุ่มแข็งแรงมันจะแข็งแรงตลอดไปก็ไม่ได้อีกเมื่อถึงวัยแก่วัยชราเมื่อถึงวัยเวลาร่างกายสังขารมันจะแตดดับใครจะแก้ไข เส้สวงบูชาอย่างไรมันไม่ฟังไม่ทำตามด้วยได้เวลาแกเราก็ต้องแก่เมื่อได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องได้รับผลจนกระทั่งความทุกข์บั้นสุดท้ายคือความตายจิตใจเราก็รับผลตลอดเวลา เมื่อยังไม่ถึงเวลาแตกดับนั้นเราควรภาวนาทำความเปียนละกิเลสในตัวในใจของเราให้มันเสร็จขิ้นเสียก่อนได้แกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตประมาทมัวเมาอยู่ ลมเข้าไปลมออกมาก็ามองเห็นชีวิตของตัวเองไม่ใช่วันเดือนปีเที่เร า, านับว่า1ิปียี่ชิดปีสามชิดปีสี่ิปีห้าิปีหกปิเนี่อันนั้นเป็นส่วนแต่ในจิตใจในตัวของเหล่านั้นมันชลาปยาธิมรละาครอบงามอยู่ ถ้าจิตไม่ภาวนาในใจให้ดีแล้วมันจะพาให้เกิดทุกข์อีกเพราะอานาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองมันมาโผกมัดลัดเลืง้งให้จิตใจเราท่านทั้งหลายลหลงไหลติดข้องอยู่ในโลกอันนี้ มันแตกมันดับมันจะตายอยู่ทุกเวลาเราก็ยังหลงกับมันอยู่แกแล้วมันก็ว่ายังไม่แกผมงอกแล้วมันก็ว่ายอมเอาได้นี่คือสังขารมานกิเลสมาน พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับมารกิเลสพระองค์ไม่ลุ่มหลง ม, มัวเมาตามกิเลสมารพระองค์นั่งภาวนาอยู่พุทโธอยู่ฉะนั้นให้ทุกคนพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวานาให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละมีโอกาสอันดีให้คอยระวังคือว่าได้เวลาแล้วให้รีบทำรีบปฏิบัติถ้าไม่รีบทำไม่รีบปฏิบัติกลมมารยาสาไัยของมารกิเลส เราไม่ทันแค่นั้นตอนนี้ไปให้เราทุกดวงจิตดวงใจให้มันทันกิเลสราคะมันหน้าตามันเป็นอย่างไงกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะมันเต็นโยภายในอ่ ต้องตั้งใจลงไปให้แน่วแน่มั่นคงเราจะไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจได้ตั้งใจภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกจนถึงจิตอันไม่ประมาท นั่งโยู่ก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาได้ตือนขึ้นมาก็ภาวนาต่อแค่นั้นการภาวนาเท่านั้นจะสี่คลายไปในทางที่ดีได้นี่เป็นอุบายภาวนาเตือนเราท่านทานั้งหลาย เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากรมได้ยินได้ฟังแล้วให้กันหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประการละชนี สัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโหวินัสตุมาติปวัตวันตรายโยตุกิทีิกายุโกภาวะอภิวาธานาชีริสนิจังมุตธาปจายิโนจ ต, ตาโรโอธรรมาวัชันติอายุวันโอโสขังสาลังมันมีความสามารถอาถาร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 เป็นไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปสู่ความตายเหมือนสันวตายแล้วมันมีวิเศษวิโสอะไรยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรกิเลสเหล่านี้ให้พ า, ากันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่ามามัวนั่งนั่งนอนนอนเล่นอยู่เป่าเปล่านั่งก็ให้นะภาวนาในจิตตั้งจิตให้มีความเปลี่ยนความมัน เดินเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทาจริงจริงปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นมันพอดีนะ่ะทาเทียนให้มันถึงถึงได้ทุกข์ขอนถึงได้ทุกข์หัวใจโลได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมีความเทียนหรื อ, อยาง มันตั้งใจมั่นหรืออย่างในใจนะไม่มัน่น